Zattham manu kawa balito chami, chitna panceri. เจริญพรญาติโยมทั้งหลายวัด เพททองและพิธีพุทธาภิเษกในโอกาสที่ 5 ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นญาติโยมเช่นคือสร้างอุโบสถอุโบสถ ญาติโยมทั้งหลายให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลมาตลอดขอให้ญาติ ทุกวันต่อเนื่องมาเป็นประจําและการสร้าง แต่ไม่มีบุญแล้วจะอยู่ที่ไหนที่ใดแต่มีแต่ความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งว่าบุญนั้นทําไมจึงให้ความ พระพุทธเจ้าท่านก็เคยแนะนําเคย ท่านพระพุทธเจ้าจึงบำเพ็ญบุญกุศลให้พ้นจากความทุกข์ความยากคน เมื่อตายไปแล้วบุญกุศลที่ทําไว้ก็จะตามส่ง วิหารหลวงปู่ตอนั้นก็มีญาติโยมทั้งหลายมาฟังเทศฟังธรรมเป็นวันละเป็นพัน 700 800 ไม่เคยขาดเพราะสอนแต่เรื่องให้เขารู้ และบุญนั้นที่ให้ความสุขแก่มนุษย์เราบุญนั้นที่ให้ความเจริญแก่มนุษย์เราที่คนทําไมเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะไม่คิดถึงเรื่องบุญคือคิดถึงแต่เรื่องที่จะเอาเพราะกิเลส บ่นี่คือการละการปล่อยการวางการที่ว่าไม่เห็นแก่ตัวแก่ได้นี่ก็คือเรื่องบุญกุศลเพราะทุกวันนี้บ้านเมืองของเราเต็มไปด้วยปัญหาด้วย เปลี่ยนใจของเราว่าเราเคยได้ 50 60 ปีไม่เจอความสุขในครั้งก็เพราะใจของโยมมันเต็มไปด้วย ต้องการความดีและบุญกุศลเราก็ต้องปล่อยต้องวางต้องละในสิ่งที่ไม่เป็นแก่น เพราะเหตุนี้วันนี้โยมยังมีชีวิตยังมีลมอยู่นี่ก็ แต่บุญกุศลถ้าเราทําไว้วันเมื่อ 3-4 วันนี้เมื่อก่อนเข้าวันศาเมื่อ 6 แต่ 7 ตายไป 19 ชั่วโมงก็เลยว่าตอนจะกลับมานี้ ยังยังมีที่ยังไม่มีปัญญาความที่ยังไม่เข้าใจ เป็นผู้ที่มีความสุขมีความสุขสบายหรือรีบสร้างรีบรีบขอรีบโกยรีบตักนี้บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยม ยังที่ว่าให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเหล่านี้ขอญาติ